คือจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าไปอบายแล้ว อ, อะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเราไปเกิดเป็นปลาแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะไปอยู่ทำอะไรในปลาบอกปลาทูน่าตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆ ห, หน่อยนะทั้งชีวิตของมันเนี่ยกินสัตว์ประมาณยี่สิบล้านตัวมันมันเป็นปลาปลาทูน่าตัวหนึ่งมันฆ่าสัตว์เนี่ยตัวโตๆหน่อยนี่ยี่สิบล้านตัวตลอดชีวิตของมัน แล้วถามวมาจากประตุนาควรจะไปเกิดเป็นอะไรต่อทําปานาติบาทมา20ล้านเนี่ยนะแล้วเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะสมมติถ้าพลาดอีกในหนึ่งนะไปเป็นมนุษย์บางตระกูลหรือบางเหล่าเนี่ยชาติหนึ่งสั่งทําปานาติบาตหาประมาณไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยสั่งฆ่าสัตว์นะวันหนึ่งเนี่ยเป็น10ล้าน10ล้านตัวเลยนะแล้วฆ่าอยู่เป็น 10-10 ปีเนี่ยจะทำปานาติบาตเท่าไหร่ทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างในท่าพลาดแล้วก็อบายเนี่ยยาวมากถ้ายิ่งเกิดเป็นเดหมู่วินิบาต ท, ทั้งหลายไม่มีการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นจากวินิบาตสู่วินิบาตจากอบายสู่อบายนีนะคือพ่อองค์ไม่ได้ขู่แต่เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าเธอทั้งหลายพลาดเนี่ยนะทางเส้นนี้มันไกลเหลือเกินมันไกลมากเขาเรียกว่าอัธาอัธาอัตตาแปลว่าทางไกลพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อกําหนดรู้อัธาคือ ทางไกลถามว่าอะไรไกลที่สุดลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่มันไหลสืบเนื่องนะเป็นสิ่งที่ไกลที่สุดไม่มีจบมีสิ้นไม่มีจบจริงๆนะอย่างชีวิตของเราเนี่ยจากเห็นมาได้ยินจากได้ยินมาเห็นเป็นต้นเนี่ยสลับค ล, ล่าเคล้ากันไปมาเป็นสิบสิบปีแล้วใช่ไหมแล้วเฉพาะชาตินี้หรือชาติหน้าด้วยอันขันธาตุอายตนะที่ไหลเป็นไปสืบเนื่องนี้ไม่มีจบไม่มีไม่มีสิ้น มันศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็เพื่อให้ให้จบให้สิ้นแต่ทีนี้ปัญหาว่าคนก็บก่นวมันยากเกินไปบ้างยากเกินไปบ้างหาเหตุผลจนตัวเองไม่ต้องศึกษาเนี่ยหาเหตุผลจนตัวเองศึกษาไม่ได้ทําไมเป็นอย่างนั้นเนาะเมื่อไหรนะ่เนาะเราจะหาเหตุผลจนไม่ต้องกินข้าวแลยนะียหาเหตุผลว่ายังไงยังไงก็ต้องรักษาอุโบสถเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็เจ๋อ นะมีเหตุผลจนต้องรักษาอุโบสถเออทางนั้นดีแต่นี่มีเหตุผลจนไม่ต้องรักษาศีลเนี่ยเอมีเหตุผลจนไม่ต้องศึกษาพระธรรมที่จะออกจากวาตัตฏะเหมือนคนไข้าบางคนบอกมีเหตุผลจนไม่ต้องกินยาในคนไข้เก่งไหมเออพูดจนหมอนี่อ่อนใจเลยยากที่ป้อนยาก็หนักใจมากเลยก็เลยไม่ต้องป้อนยาไม่ต้องกินนะว่างั้นเหรนะคนไข้ที่เก่งมากเลยนะจนคนอื่นปรุงยาให้กินไม่ได้ เป็นคนไข้ที่น่ากรุณาหรือว่าน่ามุทิตาด้วยเขาเก่งจริงๆนะเขาพูดจนเขาไม่ต้องกินยาอันนี้ใช้ไม่ได้ฉันใดผู้ที่หาเหตุผลจนตัวเองไม่ต้องคิดพระธรรมไม่ต้องพิจารณาพระธรรมไม่ต้องปฏิบัติพระธรรมซึ่งพระธรรมที่กล่าวไปก็คือศิกขาทวนอีกครั้งว่าสีและสิกขานาออกจากอะไรนาออกจากอบายเนี่ยนะีและิกขาเนี่ยเป็นตัวที่นาออกจากอบาย ถ้าเรามณสิการอารมณ์ใดถ้าระลึกถึงศีลสิกขาไม่ได้นั่นคือประตูอาบายนะแต่ถ้ามีศีลสิกขาอยู่ที่ใดถ้าจุจติตรงนั้นอะซัมมุลโฮกาลังกะโรติไม่หลงทำกาละเพราะนึกถึงศีลพวกที่ตายแล้วเนี่ยนะหลงทำกาละกิยรยาไปสู่อาบายก็คือมันนึกถึงศีลไม่ได้มันนึกถึงศีลไม่ได้จริงๆเขานึกถึงสัตทินศีของเขาไม่ได้ พวกสัตว์ในอบายนะตอนที่เขาไปสู่อบายเนื่องจากเขาไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริโอตตาปะไม่มีสุตาไม่มีจารค่าไม่มีปัญญาเนี่ยไอตรงนั้นแหะเป็นปัจจัยที่สําคัญให้เขาไหลไปสู่อบายแต่ถ้าหากว่าเราระลืกถึงกุศลธรรมเหล่านั้นได้ก็อันนั้นเป็นประตูอ่าเป็นประตูแห่งสุขติแล้วก็เท่ากับว่าประตูมันเดียวกันนะถ้าเปิดเปิดอบายมันจะปิดสวรรค์ ประตูเดียวเนี่ยมันมันมีสองประตูบานเดียวเนี่ยแต่มันเปิดได้สองประตูอย่างเงี้ยเอาไม่รู้ว่าถ้าเปิดอีกอันหนึ่งมันจะปิดอีกอันหนึ่งถ้าเปิดอีกอันหนึ่งมันจะปิดอีกอันหนึ่งเอานึ่อย่างนี้น้าเอาไงดีเนาะประตูเนี่ยท่านก็ต้องแต่ต้องแม่นยำมากเลยประตูนี้นะประตูขาวประตูนี้ประตูดำนะฮะประตูนี้มีโทษประตูนี้ไม่มีโทษใครที่มั่นใส่ใจได้แบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่ามีสตินะนะมีสติ ว่ามีสติผู้ที่มีสติก็คือรักษาศีลต่อไปได้เมื่อไหร่ยน้องเราทั้งหลายจะรักศีลจริงๆ ร, รักกุศลศีลนรักกุศลศีลจริงๆถ้าผู้ใดรักกุศลศีลจริงๆนะผู้นั้นเนี่ยจะอยู่ในธรรมะประเภทนิชระวัตถุสิบใเอ่อนิชระวัตถุเจ็ดที่เป็นธรรมอย่างหนึ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรนิทะสะนะไม่ใช่นิชระ นิทัะวัตถุเจ็เนี่ยนะเขานั่นเขาไม่ต้องปฏิสนธิอีกต่อไปคือรักสิกขาอย่างแรงกล้าเพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวสิกขาเนี่ยจะทําให้เขาออกจากทุกข์ต้องไม่ลืมนะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนิยานิกธรร ม, มเทศนาเป็นนิยานิกระทธรรมทำที่นําออกจากทุกข์เมื่อไรที่เรามใาสา่ใจว่าเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกข์เมื่อนั้นก็นั่นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อวานไปสวดมนต์ พอสวดมนต์เสร็จก็ตั้งความปรารถนานะเหลือไปในเห็นควันพุ่งขึ้นมาที่ใดมีควันที่นั่นต้องมีไฟนะโดยรวมๆเงถ้าที่ใดมีไฟที่นั่นมันต้องมีฟืนแล้วอะไรเป็นฟืนหนอก็มีศพมีศพเป็นฟืนให้ควันขโมงเลยเขาเผาศพนะปกติเนี่ยวันวันวันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะชอบเผาศพกันเขามักเผาศพเพราะว่าแขกนั้นว่างวันนั้น ก็เลยเห็นขวัญขมงไม่หมดเลยมันก็ด้วยการศึกษาพระธรรมที่ได้ศึกษาได้ฟังได้สวดมนต์เป็นต้นขอจงเป็นไปเพื่อให้ถูกเลิกเผาสักทีนึ่งนะให้เลิกเผาใช่ไหมว่าถูกเผามาบ่อยแล้วพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าก็ถูกปิ้งถูกย่างบ้างบางชาติก็ถูกปิ้งบางย่างก็ถูกช่างบางย่างบางชาติก็ถูกอบมาเนียก็มีถูกเผาอีกก็มีนะนะเขาเผาแล้วเอาไปกินก็มีเผาทิ้งเลยก็มีเนี่ยนะกลัวเหม็นเป็นต้นนั่น นั่นก็ศึกษาพระธรรมเนี่ยตัวธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะผู้ที่ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมเนี่ยสิ่งที่เขามีคือการเพิ่มพูนป่าชา้านะเพิ่มพูนป่าชา้าแต่ละภพแต่ละชาติเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นในโลกนี้ตรงไหนไม่ใช่ป่าช้าบ้างอ่ะใครหาที่ที่ไม่ใช่ป่าช้าเจอบ้างที่ไหนมันตายไม่ได้บ้างอ่ะ ที่ใดไม่ใช่ป่าช้าบ้างมันที่แขวนโดยที่สุดในร่างกายของเรามันกี่ศพแล้วเนาะก็บอกเห็นก็บอกว่าจำมโนนะเห็นแกงเห็น ก, กับข้าวก็บอกโอ้โหเนี่ยวันนี้ต้องฉันศพปลายแล้วนี่ก็ศพกุ้งนั่นก็ศพไก่นั่นก็ศพเป็ดนั่ น, นนะมันต่างกันยังไงมันก็ศพจริงๆเอาแต่คําว่าศพเนี่ยมาจากคำว่าอสุภะนะศพก็คืออสุภนะนะั่นแหละอสุภะ มันก็สิกขาเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่จะนําออกจากทุกเมื่อใดที่เราสมาทานสิกขาจนระดับหนึ่งนึกถึงสิกขาตัวเองได้แล้วปลื้มใจเมื่อนั้นแหละที่ที่เรียกว่ากุศลธรรมเบื้องต้นเราค่อนข้างบริบูรณ์ทั้งการรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็รักษาศีลจนกว่าเราจะปลื้มใจนึกแล้วโสมนัสหลายหลายท่านในห้องเรานี่ก็ระลึกถึงศีลแล้วก็โสมนัสเนียนึกแล้วก็โสมนัสที่ ได้รักษาสมาทานศีลห้าหรือบางไปเจอเหตุการณ์บางอย่างก็ไม่ยอมละเมิดศีลเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็ควรแก่การโงมนัสนะเจริญไปจเจริญไปก็อันนั้นเป็นเหตุใกล้แห่งความพทุกพลูกระน้อยก็อบายจทุกข์ก็ยังดีถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็อบรมกุศลวิตกทั้งหลายสมถะเนี่ยนะการจเจริญสมถะคืออะไรคือการอบรมจเจริญกุศลวิตกเพราะอะไรพระปฐมฌานเนี่ยนะมีอะไรเป็นองค์ วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเป็นองค์ใช่ไหมท่านก็วิตกเนี่ยสำคัญเป็นเบื้องแรกเลยนีจะเป็นเนคขมมะวิตกหรืออัพยาปาธาวิตกอวิเหงสาวิตกข้อมันเจริญกุศลวิตกเพราะนั่นเป็นสัมมาวัชสัมมากรรมันเอ่อสัมมาสังกปะทีนี้ถ้าวิปัสนาปัญญาด้วยบวกกับสัมมาสังกปะด้วยก็เป็นวิปัสนาเนี่ยนะ แต่ถ้าพื้นฐานไม่ตั้งอยู่บนวิปัสนาปัญญาเนี่ยนะมีแต่กุศ ล, ลสังกัปปะที่เป็นเนเขมรสังกัปปะเป็นต้นก็เป็นสมถะแต่เมื่อใดเพ่งไปที่ปัญญาขันพิจารณาทุกขาริยสัตว์เป็นต้นกุศลสังกัปปะนั้นก็เป็นวิปัสนาเพราะงั้นก็การเจริญทั้งหลายเนี่ยก็เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะโลกนี้จริงๆมันอยู่ที่คิดเอานะจะไปอบายก็อยู่ที่ความคิด จะ บ, บรรลุหลุดพ้นก็อยู่ที่ความคิดพระพุทธเจ้าบอกว่าความบริสุทธิ์ในาศาสนามีความบริสุทธิ์ของจิตเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะก็อะไรนะศีล ส, สมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะศีลนี่เป็นเป็นตัวพื้นฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญของสมาธิใช่ไหมปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก จิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะนั่นะจิตนีตัวจิตเนี่ยก็คือแปลว่าศีลเป็นตัวอบรมให้สมาธิดีขึ้นมีผลมากมีนิสง์มากสมาธิเป็นตัวอบรมปัญญาให้ดีขึ้นทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาที่อบรมบริบูรณ์เนี่ยชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาสวะทั้งหลายมีกา ม, มาสวะเป็นต้นเพรันเมื่อจิตหลุดพ้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยนะ หลังจากนั้นรับอารมณ์อะไรอาสวะสี่ก็ไม่เกิดจะไม่จิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีอาสวะฉาบถากับทุกอารมณ์เขาเลยเรียกว่าพระขีนาสวะพระขีนาศพคือผู yes. ้ไม่มีอาสวะในทุกอารมณ์เพราะทุกอารมณ์ท่านทำปริญญาทีนี้ไอ้ขปริญญาของท่านคืออะไรก็บอกว่าถ้าถ้าเรารู้จักกำลังของพระขีนาศพดีเนี่ยจะทาให้เข้าใจ พระขีณาศพเนี่ยท่านเห็นว่าสังขารทุกชนิดไม่เที่ยง อ, อ, อันนี้คืออะไรปริญญาท่านตีรณะปริญญาท่านแม่นยํามากสังขารทุกชนิดไม่เที่ยงสองเห็นความยินดีในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละที่เรียกว่าเห็นเห็นกามเนี่ยนะก็คือความเพลิดเพลินนะนะตัวฉันทราคาเนี่ยเห็นฉันทราคะที่ไปเพลิดเพลินในอารมณ์เหมือนหลุมฐานเพลิงโอ้ท่านกลัวตันหายิ่งกว่ากลัวผีอีกนะนะยิ่งกว่ากลัวสรารพัดกลัวเลยนะไอ้ตัวฉันทราคะเนี่ย ข้ออะไรความโศกย่อมเกิดจากความรักใช่ไหมภัยย่อมเกิดจากความรักความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากความรักหรือเกิดจากชั้นธราชาเกิดจากตัณหานั่นแหละเกิดจากกามท่านก็เลยเห็นโทษของตัวนี้เหมือนหลุมฐานเพลิงและจิตของท่านโอนไปในวิเวก ค, คืออสังขตะโน้มไปไปนิเวก ค, คืออสังขตะท่านดํารงมั่นอยู่ด้วยสติปทานเป็นต้นอันนั้นแหละประกาศถึงว่าท่านนั้นเป็นขีนาศบจริงๆ นั่นเป็นกําลังของพระขีณาสพท่านเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้เป็นกําลังบ้างน น, นเราก็กะยิมคือถ้าฟังอย่างนี้ปั๊บถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งนี้เราก็มีส่วนนะนะมีส่วนที่จะมีคุณธรรมมันนั้นถ้าฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยเขาบอกว่าผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังนะเรียกว่าผู้มีอุปนิสัยเขาว่ากั้นผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังแล้วใครจะจะบรรลุสิ่งนั้นเรียกว่ามี อุปนิสัยเนี่ยเมื่อมีอุปนิสัยแล้วเมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งนะไม่รับรองอยู่ที่อินรีย์เพราะว่าเราทั้งหลายก็เป็นพวกเจริญอินทรีย์กันอยู่นะเป็นพระเสขบุคคลอยู่เสขะเนี่ยนะก็เสขะแบบกําลังศึกษาอยู่กําลังศึกษาไตรศึกขาอยู่ก็ศึกษาไปเนี่ยนะสำคัญที่สุดถ้าไม่เลิกก็บรรลุอยู่แล้วเนาะนี่ทำไมยาวจังเรื่องเง้น ดูพยุหาหาระดีกว่าไปไกลามากในเนติปกรณ์หน้่สิาข้อ25จะตุบพยุหาหาระถ้าเราไปดูในคำอธิบายโดยย่ออธิบายโดยย่อหน้า246ี่กยนะก็คือวิธีจําแนกจะตุบพยุหาหาระก็คือวิธีจําแนกนั่นเอง เพราะฉะนั้นบอกว่าอัฏฐะทั้งหลายย่อมถูกจำแนกด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้เพราะเหตุนั้นวิธีนี้ชื่อว่าจตุพยุหะพยุหะเนี่ยนะคือวิธีตัวที่จำแนกอย่างเช่นนะมหาวิยุหสูรผู้กาวิยุหะตัวนั้นแปลว่าจำแนกมหาวิยุหะก็คือจำแนกใหญ่ะนะมหาวิยุหะแปลว่าจำแนกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนื phrases, um ้อความเนี example, so, uh, like, ่ยถ ah, ูกจำแนกด้วยวิธีนี้หมายความว่าเป็นเครื่องมือที่จำแนกอัถะนะแปลถ้าเป็นแปลแปแปแบบภาษาไทยไทยเรานะแปลว่าเครื่องมือจำแนกอัถะชื่อว่าพยูหะหรือวิยูหะนะวิยูหะพยูหะวิยูหะอันเดียวกันนะว่าวิธีจำแนกเครื่องมือในการจำแนกอัถะสประการนะ เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะจําแนก4ประการคือจําแนกแบบ1 น, นิรุต2 อ, อธิบาย3นิทาน4อนุสนธินิรุตธมะทิปาโยพยัญชนะมัธะเทศนานิทานนันจักเป็นต้นเนี่ยนะก็คือจําแนกโดยนิรุตอธิบายนิทานและอนุสนธิเนี่ยนะสประการอนุสนธิก็คือการสัมพันธ์คําหน้ากับคําหลังการเชื่อมต่อกันนั่นเอง ดังที่พระมาหากจจยนะกล่าวไว้ว่านนรุตมะทิปายโยพยัญชนะมัทะเทสนานิทานันจะปุภาปรานุสันทีเอโสหาโรจตุพยุโหการวิเคราะห์ก็ดีการแสดงความประสงค์ก็ดีการแสดงเหตุแห่งความเป็นเทสนาก็ดีการสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังก็ดีโดยสับเนี่ยนะ สังวั น, นาพิเศษอันนี้ชื่อว่าจตุพยูหะหาระส่วนนี้ก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องหลักจำแนกโดยนิรุตติธาต์นะนะลองมาดูตัวอย่างนะใครเราทั้งหลายก็เรียนมงคลมาแล้วใช่ไหมปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตะมังเห็นการบูชาบุคคลที่สมควรบูชานั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญทีนี้เขาบอกว่าบูชาเนี่ยมันวิเคราะห์ศัพท์ดูสิเป็นสาธนานะอะไรบอกว่าเป็นภาวะสถานะ มาจากคำว่าปูชาธาตุบวกอปัจใจยัยมงอนกนถามว่าไอตัวบูชาจริงๆอ่ะคืออะไรองค์ธรรมคืออะไรบอกว่าจิตตุบาทที่น้มไปในการบูชาตัวบูชาจริงๆไม่ใช่ดอกไม้ของหอมเลยตัวบูชาคือตัวจิตนีนะคือตัวจิตน่นะก็ดอกไม้เราไปวางไว้ทั่วไปหมดทำไมไม่เรียกว่าบูชาแล้วไปวางไว้หน้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ จิตตุ บ, บา ท, ที่คิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าบูชาหมายถึงจิตตุบา ท, ที่น้อมไปเพื่อบูชานะทีนี้ถ้าตามหลักไวยากรณ์แม้แต่อปัจจัยก็คือได้แก่จิตตุบาสนั่นแหละก็เป็นภาวะสาธารณะทีนี้เขาบอกว่าเขาแยกว่าจะศัพท์เนี่ยนะเป็นนิบาศจะศัพท์เนี่ยบนะูชาจะปูชนียานั่งอ น, นัน้สมุจยัตถะคือรวบรวมรวบรวมอะไรรวบรวมว่า อาเสวนานรวบรวมคำว่าอ า, าเสวนาการไม่คบคนพาลเนี่ยนะปันตานันจะเสวนาการครบบันดิตปูชาจะปูเชนียานังจะตัวนี้ไปรวมเอาทั้งสามคำนะรวมเอาทั้งสามคำว่าเอตัมมังคารมุตตัมมังทั้งสามอย่างนั่นแหละเป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งความเจริญแบบนั้นส่วนเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิพัฒ์อีกว่าเช่นว่าศัพท์นี้เป็นปฐมาวิพัตนะ เป็นปฐมวิพัฒน์เนี่ยก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการพูดถึงสับแสงอ่ะนะใครที่เรียนวิยากรณ์มาก็ไม่น่ายากอะไรเพราะท่านอธิบายให้เราแล้วเพียงแต่ว่าที่มันยากก็คือเราไม่ยอมจะเข้าใจตามท่านน่ะธรรมะนะที่ยากก็คือเราก็ไม่ค่อยจะยอมตามท่านน่ะเอาไปเอามาเราก็ยอมจนได้แหละเชื่อถ้าเราจะบรรลุนะถ้าไม่ได้บรรลุยังไงเราก็ไม่ยอม เออแปลงนะว่าถ้าเราจะบรรลุนะเราต้องยอมพระพุทธเจ้าหมดอ่ะยอมคําสอนยอมต่อหมู่ภ้าริยะทั้งหลายแต่ถ้าเรายังไงเราก็ไม่ได้บรรลุนะยังไงเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะขอเป็นตัวของตัวเองตลอดไปตัวไหนก็ไม่รู้นะตัวมานะบ้างตัวตันหาบ้างตัวทิฐิบ้างอ่ะนะก็เอาเป็นตัวของตัวเองตลอดไปโอ้รักษาได้ดีมากอนะเคยมีมานะยังไงก็เหมือนคงเส้นคงวาเคยถือตัวยังไงก็ถืออยู่อย่างนั้นแหละเจ้าทิฐิเท่าใดก็โอ้รักษาไว้ดีเยี่ยมเลยนะ พวกนั้นโอ้อนุรักษ์นิยมได้เก่งมากเฝ้าวะตาอีกนานและก็ถ้าเราศึกษาคําสอนนี้ก็ยังไงก็ต้องโอนตามพระรัตนตรายอยู่แล้วว่าท่านแสดงว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้โอนตามท่านแล้วจาไม่ค่อยได้ทนี้จะว่ายังไงของมาก็ไม่ว่ายังไงแล้วของมาก็จําได้ไม่หมดเหมือนกัน <c oughs> ก็อยากจะทําได้เยอะๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจําได้เท่านี้จะไปทํำยังไง <c oughs> เพิ่มกว่านี้เดี๋ยวเครื่องมันจะแห้งหมด จำนวนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเครื่องมันแห้งเป็นยังไงเครื่องมันแห้งแล้วมันช็อตหมดเลย <c oughs> เปิดอะไรก็ไม่ได้กดคีย์บอร์ดตรงไหนก็ไม่เล่นสักอย่างเลยนะอยู่เฉยๆยงั้นนลยนะจิตก็เหมือนกันบางทีมันไม่รับอะไรเลยเคยไหมอ่านใต้อ่านมาก็ถือๆโยมก็เราว่าสวดมนต์ก็แล้วฟังก็แล้วอาหานก็แล้วนะมันไม่เข้าแม้แต่นิดเดียวเพราะว่างั้น ก็ใครไม่เคยเป็นนาะยกมือขึ้นนะโอ้ทำไมทำบุญอะไรมาเนอะเก่งจริงๆ น, นะฟังก็แล้วสวดก็แล้วอ่านก็แล้วเหลือแต่ความหุนหวยสับส น, <c oughs> นนะก็เลยอันนี้ความคิดมันมันเจ๊งอ่ะนะ <c oughs> นี่ลองมาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะมาดูคำว่า นิรุตติก็คือเกี่ยวกับเรื่องสั์แสงนั่นเองนะมาดูในหน้า43คืนว่าการควรหาคำวิเคราะห์ความประสงค์เหตุความสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังแห่งบาลีด้วยสัพนะท์เรียกว่าดูจากสั์แล้วเชื่อมเนื้อหาให้ได้ก็อธิบายว่าคำวิเคราะห์เป็นไยวิเคราะห์ตัวนี้มาจากบาลีว่านิรุตนะนิรุตตินิรุตเเนรุตตินิรุตเ ต, ต, ตอเดียวกัน คำวิเคราะห์เนี่ยเป็นไงคือวิเคราะห์ประกอบในบทประกอบด้วยบทการรู้ทำทั้งหลายโดยเชื่อย่อมเป็นไปด้วยวิเคราะห์ใดศัพท์นี้ชื่อว่าวิเคราะห์คําว่าวิเคราะห์นี่ก็คือลักษณะของสมมุติสัจจะเป็นเรื่องของสมมุติสัจานะวิเคราะห์เนี่ยตัวนิรุตติวิเนี้เป็นเรื่องของสมมุติสัจจะทีนี้สมมุติสัจจะเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้รู้ยยธรรม รู้ทมทั้งหลายารู้การรู้ทมทั้งหลายทมทั้งหลายตัวนั้นเป็นชื่อของยาตธรรมแปลว่าธรรมที่ควรรู้ทีนี้ธรรมที่ควรรู้ทั้งหลายนี้ก็ต้องอาศัยถ้อยคำไปใช่ไหมถ้าไม่อาศัยถ้อยคำแล้วจะไปรู้ธรรมที่ควรรู้คือยาตธรรมได้อย่างไรยาตธรรมนะเคยไดย้หมายถึงอะไรบ้างหนึ่งสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปและนิพพานอันน้เรียกว่ายาตธรรม การที่จะรู้ยายธรรมได้ก็ต้องอาศัยนิรุตเนี่ยเข้าเป็นตัวไปวิเคราะห์ในการประกอบไปวิเคราะห์ไปพิจารณาอย่างเช่นเมือ่อภิกษุใดย่อมรู้ชื่อชื่อแห่งอัตและรู้ชื่อแห่งธรรมะคําว่ารู้ชื่อแห่งอัตถาก็คือเนื้อความนะรู้ชื่อแห่งธรรมะก็คื อ, อบาลีเมื่อนั้น ย่อมกล่าวชื่อนั้นโดยประการนั้ น, น, นคือเข้าใจพระพุทธพจน์หมดอย่างยกตัวอย่างนะพระอนุนเนี่ยพระอนุนเนี่ยพระพุทธพจน์แต่ละคำแต่ละบทแต่ละบทที่พระพองค์แสดงมาเนี่ยพระอนุนเนี่ยมองออกเข้าใจถ้าสับไหนไม่เข้าใจท่านจะถามแต่โดยมากแล้วท่านเข้าใจหมดโดยมากนะโดยมากนี่เข้าใจหมดมีอยู่น้อยมากเว้นแต่พระองค์ตั้งเป็นเงื่อนเป็นปมให้ท่านสงสยัยท่านกินจัจกสงสยัยตามที่พระองค์ต้องการให้สงสยัย นันความที่พระน น, นเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านรู้อัดรู้ธรรมแห่งบาลีก็เป็นผู้ฉลาดในอัดฉลาดในธรรมเป็นผู้ฉลาดในวากยาวากยะคืออักขรเนี่ย น, นะฉลาดในอักขระฉลาดในวิเคราะห์คือนิรุติฉลาดในเป็นผู้ฉลาดในบทเบื้องหน้าเบื้องหลังแห่งเทศนาเขาบอกว่าผู้ที่ฉลาดในบทเบื้องหน้าเบื้องหลังแห่งเทศนานี้ถ้าฟังหัวจะ ร, รู้ท้ายถ้าฟังท้ายจะรู้หัวฟังกลางจะรู้หัวรู้ท้าย ฟังตรงไหนขึ้นมาท่านมองออกหมดเลยนี่เขาเรียกว่าฉลาดในเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนก็เมื่อไหรเ่เราจะเห็นพุทธคดเมื่อไหร่แล้วปุ๊บเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เอาอย่างนี้นะว่าถ้าใครเรียนอภธิธรรมมัทสังหะมาเก้าปริเชต ด, ด, ด, ด, นะ ด, ด, ดีถ้าพูดปริเฉดเก้นะหนึ่งถึงนี่เข้ารู้เลยไหมรู้ถ้าพูดปริเชดหนึ่งก็อย่างถึงเก้าปริเชถ้าพูดปริเชดห้า อันนะ่ะไล่ไปหาประชินหนึ่งกับไปหาประชิสูงสูงก็ไม่เป็นภาระฉันใดผู้ที่เป็นประหูสูตรเนี่ยนะฉลาดในเบื้องต้นเบื้องหลังแห่งเทศนาก็ฉันนั้นหรื อ, อคนที่ํำนานสวดมนเนี่ยนะเช่นใครที่สวดมงคลสูตรเก่งๆเนี่ยขึ้นตรงไหนเขาก็สวดด้วยได้ ขึ้นคถาไหนก่อนก็ได้พุทธสโลกธรรมเมฮิก่อนก็ได้หรืออาเสวนาก่อนก็ได้พหูเทวกาก่อนก็ได้หรือจะขึ้นมาตาตปิตูปัฏฐานก่อนก็ได้ขึ้นตรงไหนก่อนก็ได้รู้หมดเลยเข้าใจว่าช่วงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอันนี้แหละเรียกว่าฉลาดในเบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้ชํานาญมากอันนี้พูดถึงคนชํานาญของเราก็กําลังศึกษาอยู่สักวันหนึ่งพน้านะวันนั้นก็วันนี้เป็นต้นนั่นแหละ ต่อไปก็ฉลาดในการแสดงธรรมถ้าเข้าใจอย่างที่กล่าวก็สามารถเอามาประกาศมาแต่งตั้งบัญญตัติเปิดเผยมาแสดงได้ผู้ที่ฉลาดอย่างนั้นก็ต้องรู้อดีตอนาคตปัจจุบันว่าคําเหล่านี้พูดถึงอดีตคําเหล่านี้พูดถึงอนาคตถ้อยคําเหล่านี้พูดถึงปัจจุบันไอตัวอดีตนั้นคืออะไรถ้อยคําที่ใช้เกี่ยวกับอดีตเป็นยังไงเป็นต้นเขาจะรู้ฉลาดเนะี่ยอิทธิลิงปุงลิงอะนะนัปุงสกลิงพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องถ้าเรียนไวยากรณ์มา รูเลศัพ์นี้เป็นลิงอะไรเป็นวิพัตอะไรหรือฉลาดว่าเป็นเอกพจน์พหูพจน์เนี่ยนะบัญญัติอย่างเดียวหรือบัญญัติหลายอย่างก็ลกลุ่มเอกพจน์พหูพจน์เป็นต้นนั่นเองว่าเออนี่พูดถึงสิ่งสิ่งเดียวนะั่นนี่พูดถึงสิ่งหลายหลายสิ่งนะแล้วก็สามารถที่จะฉลาดในสัตตะโวหารคือถ้อยโวหารของสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ในชนบททั้งปวงหรือโล ก, กโวหารเนี่ยนะถ้อยคําที่ใช้ในโลกในชนบททั้งปวงภิกษุนั้นก็ เพ่งกระทำเนี่ยนะก็คือเกิดความเข้าใจมีความรู้เหล่านี้ว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งเข้าใช้คําอะไรเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่านิรุตนิรุตเนรุตเนี่ยนะเข้าใจที่เรียกว่าลักษณะอะไรนะนิรุตติปฏิสัมพิทาใช่ไหมพวกที่มีนิรุตเนี่ยรู้เลยว่าคําเหล่านี้แต่ละแห่งแต่ละแห่งเข้าใช้อย่างไรที่ใดใช้คําไหนบ้างผู้การได้คำมัเ ง, ง่าวคำหนึ่งนะใช้ได้หลายภาษามากเลยนะแต่คำหนึ่งอนะ งงงูอ่ะนะที่มันจาได้ก็เพราะงงงูอะ่ะแม้ในภาษานะีถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆก็เลยละเดียวกันเนี่ยนะว่าทำให้เข้าใจภาษาว่าแต่ละภาษาเขาว่าอย่างไรแต่ยังไงยังไงก็มองออกฟังออกเข้าใจได้ก็คือฉลาดในภาษาที่จะหยิบเอาภาษานั้นมาพูดมาแสดงมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยให้เข้าเข้าใจเพราะว่าถ้อยคำเนี่ยนะมันเป็นตัวสื่อ สื่อถึงความในใจใช่ไหมสื่อถึงสิ่งที่ผู้พูดอยากให้ผู้ฟังเข้าใจมันอยู่ที่การใช้คำํำนะบางคนใช้คําไม่เป็นเนี่ยแทนที่ว่าเป็นเรื่องดีกลายเป็นเรื่องทะเลาะเลยเนี่ยนะการใช้คํานี่สำคัญมากเลยใช่ไหมใช้คําเนี่ยการใช้คํามันเป็นตัวสื่อความหมายที่อีกจากผููหนึ่งประสงค์จะให้ผู้หนึ่งรู้แต่ถ้าใช้คําผิดสื่อความหมายผิดหรือพูดผิดที่นะมีปัญหามากนีนะ สำคัญมากนะสื่อให้เป็นแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกที่ด้วยวันก่อน อ, อยู่ที่สถานีแห่งหนึ่งโยมเขาเขาเป็นวิ่งรถโดยสารเขาบอกว่าเข้ามารับเขาก็ยืนถามว่าไปโรงแรมไหมเขาบอกคำนี้ห้ามพูดในตลาดนะครับถ้าผมพูดในตลาดผมปากแปกแนะ่เขาวนะ่างนแต่ผมพูดตรงนี้ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาเขาวางนะเขาบอกว่าก็คือถ้าพูดที่อะไรนะตอนกลางคืนเนี่ยนะถ้าพูดตาม สถานีต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมผู้ที่สนามบินอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาว่าเออคุณจะไปโรงแรมไหมจะไปส่งให้ที่โรงแรมถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาผู้แถวตลาดเขาบอกเขาเดือดร้อนแน่นะเกิแม้กระทั่งถ้อยคำเนี่ยให้ผู้ฟังเนี่ยสื่อให้ผู้ฟังเขารู้ว่าว่าตัวเองต้องการสื่ออะไรออกไปนะแล้วก็ผู้ที่ฉลาดในการรับสื่อเนี่ยนะฉลาดในการรับสื่อเขาจะจับวัตถุประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณ บางทีเขาไม่ค่อยถือในเรื่องการใช้คําจนเกินไปนะก็เพราะบางคนนี่ออกเสียงออกเสียงคนที่ออกเสียงดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าคนที่เหลือก็มีความผิดความพลาดบ้างอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใครซื้อส้มไม่มีเปลือกมาด้วยอ่ะแล้วเปลือกทานไหมนะซื้อมังคุดเนี่ยนะทำไมเอาเปลือกมาด้วยทําไมไม่แค่แต่เนื้อซื้อมาล่ะเนี่ยซื้อทุเรียนก็ยังมีเม็ดทําไมไม่เขาแทะเม็ดออกให้หมดเอาแต่เนื้อมาอย่างเดียวไม่ได้ คนที่ใช้คําโดยที่เรียกว่าเหลือแต่แกน่นลุนล้วนสาระลุ่น้ว น, น, น, น, น, นคือพระพุทธเจ้า น, นะบุคคลที่เหลือก็ยังน้อยนักที่ที่จะสมบูรณ์ขนาดนั้นน ะ, ะเช่นพระสารีบุตรสัมเนียงท่านเหมือนนกกาเวสเป็นต้นนะหรือพระอานนุ์ก็มีไม่มากพระอริยะบุคคลที่มีความสามารถลักษณะนั้นมีไม่มากที่เหลือก็ก็เรื่องธรรมดาแม้กระทั่งเรียกว่าลักษณะเนี่ยนะคนที่อ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกัน หาช่องจนตําหนีพระทัยไปดกจนไม่ต้องอ่าน น, นะน่ะก็อาศัยความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องเอาไว้เป็นข้อคอรหาเหมือนกับว่าทานปลาบางอย่างแล้วมันมีก้างอยู่นิดเดียวนะไปตำนิดเดียวนะบอกว่าเลิกล้วตอบตรงนี้เลิกทานอันนี้ละบางคนก็ลักษณะนั้นซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องคำคำเนี่ยนะการพูดการสื่อสารเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากจะบรรลุมรรคผลหรือจะใ ก, กล้ต่อมรรคผลก็อยู่ที่ โวหารหรือถ้อยคําจะอยู่บรรลุจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็อยู่ตรงนั้นจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันก็สําคัญมากนะในการใช้โวหารใช้ถ้อยคํา